มันแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเลีงจริงไหมถึงมันสดใสอยู่มันโซค a โปรกไหมแล้วมันดูโลมคือขนที่มันขึ้นอยู่ทำนิทำตวเน่ยเว้นฟ้ามือฝ่าเท้าว่ามันขึ้นอยู่ยังไงมันแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเลืองจริงไหมของงาม่รู้ว่าของโซคาโปรกแต่เราไม่อาบน้ำธรรมดามันดูโซาโรกไมดูแลก็มาดูนักขาคือเล็บขึ้นอยู่ปลายมือเนี่ยมันนิ้วมือบังนิตรีนบังเพรามันแช่อยู่ด้วยอะไรถึงมันสดใส มันรอเลี้ยงดยอะไรให้ดูเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นให้ก็ตั้งอยู่ลอยไปพออยู่ธรรมชาติมันแล้วมันเ ล, ลี้ยงแล้วกเัาดูธรรมชาตาคือฟันที่สําหรับเคี้ยวอาหารลอยเป็นธรรมชาติยอมเกิดดูดูเขาพอคนสะอาดที่เข้าสกปรกแต่ก็กกมาดูตะโจนหนังที่หนังที่โหอหุ้มร่างกายที่อยู่นั้นมันจดใส่ยุ่งได้มันชุ่มชื้นมันยุ่ด้วยอะไรถ้าเราไม่ปรุงแต่งคือไม่อาบนําชําระ เหมือนกันทานแล้วไม่สางค่อไม่ตัดทกปรุงแต่งมันสกปรกไหมเล็บเมืออกัรทานแล้วไม่ตัดปลอยเป็นธรรมชาติไปนั่นมันน่าเกลียดหรือวมันน่ารักทันตาคือฟันเมืออการทานแล้วไม่แปลงฟันปลอยมันเป็นธรรมชาติมันสวยไหมเดี๋ยวดูเกิดขึ้นนะทีนี้ดูที่โซมลงมาเหที่รถตายมันเป็นมันไปไหนมันใช่ตัวเรามะเนื้อหนังมันก็เหี่ยวไปห้ามที่ด้วยว่ามันชมันเหี่ยว ฟันก็ห้ามที่ย้ามันหักห้ามได้ไหมเล็บก็ห้ามที่ย้ํามันยาวก็ตัวเราก็ห้ามไว้สิฟันก็มนกันห้ามย้ามันหักไปผมก็ห้ามย้ามันงอกก็ของเราเราก็ต้องห้ามได้เห็นไหมมีฟันก็ฟันก็หักมันใช่ของเราไหมมีหนังหนังก็เหี่ยวมีเล็บก็หน้าเกลียดมีผมผมก็งอกและของเราหรือเรของใครแน่ของรูปเขาใช่ไหม มันยุกกระรูปมันน่ะมันคงสุกโคกงไหยก็จิตมันใส่รูปอยตัวรูปมาใส่ยรูปมันน่ะแต่วมายืดคืำของกูให้รู้มันแค่อาศัยไม่สช่จะแก่ก็มันแก่ไปเด็จเจ็บก็รักษาเข้าหายก็หายไม่หายก็เรื่องของเข้าแล้วไมชเรื่องของเราไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์มัต้องการเห็นไม่สมหวังอยากจะมาให้มันแก่มันโกแก่ไปให้ฟันมันหักก็หัก ไม่ให้ผมมันงอกมันก็งอกหนังไม่ให้มันเหี่ยวมันก็เหี่ยวเห็นมไหมแล้วมันสมว่างไหมก็ไม่สมว่างมันก็ทุกข์เพรามันอยู่นั่นเลยมาเพราะนั้นมันสมว่างแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็พิจารณาให้มันเลยกับอีกเข้าไปในในตัวน่ะม่ามันเป็นโครงกระดูกจริงไหมที่มันเป็นโครงสร้างเห็นไหน่ะมันแช่กระดูกไหมลุดไปจากนั่นมันมีอะไรวิตตับมีปอดกระเพาะเดี่ยวกระเพาะขี้มันส่วมเคลื่อนที่ไหม ไปไหนก็กระพายไปด้วยจริงไหมกระพายของสซ่กระโลงเดินโฉบก็จริงมาแล้วให้เขาไม่รู้ชังเขา่าวเรารู้เราเนี่ยเบื่อไหมหน่าเบื่อไหมเกิดมีกับวันนี้อะเกินไม่บบไมีวันนี้แล้วก็ไม่เที่ยงวันนี้อะเจ้าไงหลังนะยองมีเงินห้ามเลยไหมไม่มาแกเงินมาซื้อวันนี้กันเหมือนที่มึงแกห้ามเลยไหมมันก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติคฮะ มันมีแลมันก็ต้องเสื่อมมันไปเห็นยังนะธรรมะคือธรรมชาติไม่มีตัวตนมีรูปก็ต้องมีกฎของรูปมันก็ต้องเสื่อมมันไปนี่มันหน้าที่ของใครของผู้รู้ใช่ไหมฮะใช่ผู้รู้ไหมมึ <c oughs> มงดูแล้วเองก็ละวางนั้นี่นีาทีของพระสงค์นี่ไม่เที่ยงนั้นน่ะพระธรรม ยันรู้แล้วกวันนาทีเขพระส่งก็ละวังนะสิแลเมื่อรู้แล้วนี่ชาระจิตสะอามดมรจนแล้วก็ไปไปโซนอื่นบางเสร็จนาทีเขามาส่งแล้วก็ไปที่แจ้งก็บงังเสร็เห็นไหมระสง่์ก็ต้องศึกษาอย่างนี้แล้วเอาสิ่งนี้เราไปสั่งสอนที่แจง้งให้ชาวโลกเขาเข้าใจอันในโลกเนี่ยเห็นไหมมันอะไรไม่คงเที่ยงลูกไม้เกิดมาที่แรกก็ลูกเล็กวันคืนผ่านมันก็แก่ไปมันพรอมีกฎธรรมชาติของเขา นาขามันก็สุกล้นบ้านเขาเป็นการที่แรกมันก็ใหม่มันเป็นธรรมชาติมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นไหมในผลที่โลกดับแตกดับทับถมดินเห็นยังเป็นธรรมชาติของเขานี่มันนั่งดูสิขันติก็เป็นธรรมชาตินะมวิริยาก็เป็นธรรมชาติไหมนาทีของขันติมียังไงอดทนเขาเลยสมมุติเจ้านี่แหละขันติ วิญญาเพียนเพียนพิจนาดูเขาเลยสมมุติว่าวิริยะเพราะตัวเพียนนี่แหละศรัทธาคือตัวเชื่อนะั่นแล้วเสมมติชื่อศรัทธาเห็นมันเป็นธรรมชาติมันไม่ชื่อที่ไหนคามันสมมุติชื่อขึ้นไม่งั้นเรียกไม่ถูกเพราะมันคงว่างอยู่เลยเองมันดูบางทีมันมนูดเขาก็สมมติชื่ออีกมันว่างอยู่นี่แหละธรรมานาตาติธรรมะมันมีตัวตนเป็นธรรมชาติ เห็นมามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยสเพสังฆาราสังฆาตทั้งหลายไม่เที่ยงหนอทีนี้โยมก็เข้าใจขันติไม่น้าที่ยังไงศจละมหน้าที่ยังไงวิญญาณไม่น่าที่ยังไงศรัญญทารธาไม่น่าที่ยังไงเอามันใช่ถูกทางเสอ่โลภะมันมมหน้าที่โลภยักได้มยักได้นี่็เราก็รู้แล้วมันเป็นตัวโลกตายเราไปไม่ได้แล้วไป อ, วไอํามมาใช่ทําไมอ่ะฮะ โคสะมันก็เผาแล้วทำให้จิตรุ่มรอม้อนไปหมดก็รู้แล้วมันแล้วก็ต้องตายแล้วต้องเกิเอามาใช้ทํำไมอิชาริฏยาเข้านั่นก็นเหมือนกันเขาะจะเอามาใช้ทําไมเนี่ยทาไฟชั่วทั้งนั้นะนหรอฮะล้วก็ทําไฟดีมันใช่เหรอเขาไม่รู้ว่าช่างเขาแล้วเราเป็นผู้ศึกษาแล้วนี่แหละเห็นไหมตัวไข้ต้งบันอลเรารู้แล้วเอาไปสอนเขาเขาไม่เชื่ออันที่อุมาลไม่ต้องโวสีเหล่าเยยมยังเข้าใจนะ ทุกคนที่มาที่นี่เพราะสถานที่ตรงนี้เขาต้องการสอนอยางนี้ต้องการหาบุคลากรที่รู้แจง้งเห็นจริงจะได้เอาไปสั่งสอนต่อเนี่ยสร้างสถานที่ตรงนี้ไว้เพื่อจะเอาเมาอบรมวัตถุที่เดินได้วัตถุที่เดินได้ให้รู้จักดีรู้จักชั่วตรงนี้โยมง่ายเราไปเซื้อมันต้อมาตั้งตั้งมก็เชยอยู่แน่นแหละนี่มันสอนวัตถุวันนปณิ่ะ วัที่เดินได้เดิดีฟามันสร้างวัตถุอย่างนี้สนะิโยมเนี่ยจงใช้ปัญญาดูพระพุทธเจ้านะผู้รู้นั่เขารู้อะไรครู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้ฐางดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติทั้งความดับทุกข์กขจึงพอใจว่ารู้ละเหตุความความทั้ง ของสี่อย่างนี่เรียกว่าอริยสัจแปลว่าของจริงเขรู้เท่านี้แหละผู้รู้เขรู้เท่านี้แหละพอใจจึงว่าพอใจวันรู้ละเพราะงั้นทุกข์ควรด้วจากสมุทัยคนละนิโรธคนทําไม่แจ้งมรรคคนปฏิบัตินี่พูดสั้นๆก็มันทุกข์งั้นมันยากได้มันทุกข์ทั้งนั้นนะก็ควรละเมืนกัสิฮะก็คงใต้อาไปไม่ได้เห็นมันจันทร์หาตัวนี้แล้มันสร้างเนาะมันยากได้แล้วก็อบายไม่ได้มันสร้างแล้ำละเพราะทำก็เป็นกรรม ก็เป็นเหตุกันท่านยังว่าฉันโลกเป็นกรรมกรรมทําเกิดจากเหตุนดับดับที่เหตุจริงมันก็ไปยากได้มันก็เป็นเหตุไว้นี่แหละทําเกิดจากเหตุดับดับสี่เหตุตัวยากนี่แหละตัวตันหานี้แหละมันเป็นเหตุเพราะทำก็มันก็เป็นกรรมท่านก็มองว่าฉันโลกเป็นกรรมท่านยังสอนว่าดับสี่เหตุทําเกิดจากเหตุดับดับสี่เหตุเห็นมันในโลกมันวุ่นวาไหมเพราะมันไม่ดับเหตุกันนี่มันเรื่องของข้าวนะนี่ถ้าพิ่เราอะ ตายก็ไปไม่ได้ ข, ย, ขยายขยายเดี๋ยวจะได้เป็นตำต้นท้าะกันตั้งใจนะคนนำนะที่คนสอนให้แกเห็นว่าไปโคข้าใจไหมล่ะไม่อะ่ะไม่ต้องพูดใบนะเวฟอันโดน ขันโดนเขาววงโกเขาไล่ออกจากเมืองไปอยู่ข่าววงกอจากท้องแม่เมืองมาถึงท้องไปอยู่ข่าววงกโกดดูดแก่ตายในทางที่จะเข้าข่าววงโกนั่นน ะ, นะมีนายพานคนหนึ่งคือนายเจตบุตรนายพานคนนี้แดงกับติ๊ดคุ้มกันเอาไว้ขันโดนนี่มาถึงโดนิดหลุมัหาราคาเพร ะ, ะสะทุ่ไม่ได้ ชุชกเห็นว่ามันปเป็นล อ, อ ก, กัล้วแม่เจสบุตรเผลอคนเอกากมืิษสรงให้ดูวันนี้สงเอกสารแม่เจสบุตรเผลอทุชกแล้วเข้าไปได้ไปขอส่งกุมารแต่กระฐานตี้งที่จะทาทานนาทีตัวมันก็มีเนียวแด่ขึ้นมามีนังมัสีตัวจะมีเนียวแน่นไเห็นเวลาตัวจะมีเนียวแน่ น, น, น, นพราะติ้งใจให้ทานมือโลกระเทือนเลย เกิดพิดีขึ้นเห็นว่าแล้วไข่ถ้าคุ้งชนใช้เนะี่ยคือไครไทยหลานเนี่ยให้พุทจักควาเป็นทาสหาคุ้งชนใช้ก็คือปัญญาตัวปัญญาไทยหลา น, น่ไม่ให้เป็นทาสเขา <c oughs> <c oughs> แล้วที่นี้เขาก็ไปรับลูกเขากับเมืองให้สร้างถนนตั้งเต็บคุ้งสีพีนเขาหัวกรดให้มีมหาวิศเล่นตลอดทาง มีหนังมีเด็กสังเกตเมื่เห็นที่จลอยจะตายลงมาบ้านเถ้าเกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคนาเห็นไหมตาไปเกิดนิ่นเห็นรูปภายนอกเกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคนาถ้าเกิดโทษสา ค, คือไม่พอใจรูปที่เห็นนั่นเขาเรียกว่าโทษสาคนาคือหลงอยู่กัเรียกว่าโมหะกคนา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 ที่จะแก้จะดับตรงนี้ดับอย่างไรถ้าเราเห็นว่ารูปนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งโยดับไปและรูปนี้เป็นของสกรปรกโสโครกมีทั้งนาเลือดนาเหลืองกระเพาะขี้เพาะเยี่ยวแล้วก็แก่ไปแก่ไปก็ดับพังทับถมไปดินถ้าเราเห็นอย่างนี้ไวราคาเกิดน้อยเรก็ดับจิตไม่มีแล้วความรักต่ไม่ต้องการแล้วมันก็ดับจิต แล้วก็ไฟโทษะดับไหมพอเราเห็นแล้ ว, ลวเราไม่ยึดเป็นเรื่องของเขาเราก็ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นไฟโทษะก็ดับเราก็เลยรู้จริงว่ารูปนี้เป็นของไม่เที่ยงโมหะมีไหมไฟโมหะก็ดับจิตนี่สมัยครั้งหนึ่งมีทัดินสามพี่น้องเขาว่าอีกคนนึงอยู่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมชื่อว่าอุรุเวกัสปะ อีกคนหนึ่งอยู่แม่น้ำอ้อมคงแม่น้ำชื่อณทีกัปักอีกคนอยู่ตําบลขยะศีสะชื่อขยกะกัปักสามพี่น้องออกบวชมีบริวารคนพี่มีบริวารอยู่ห้าร้อยคนน้องมีบริวารอยู่สามรอยคนน้องที่ท้องมีบริวารอยู่สองรอยก็พากันออกบวชพี่ชายอยู่ต้นน้า คนกลางอยู่กลางอยู่ต่อมาคนทุท่องอยู่ปลายก็สัญญากันว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ร้อยอัฏฐบริขารมาน้องรู้แล้วจะเดียขึ้นไปดูมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมือ่อกระสรู้เรียบร้อยดีแล้วจึงบอกพิกษุปัญญภิกษุทั้งห้าให้แยกย้ายกันออกสั่งสอนชี้แจงอริยสัตรีตัวท่านเองจะไปที่ตำบล กูรูเวลาเสนานี่มเพราะทะ ด, ดินสาพี่น้องตั้งตัวเป็นใหญ่ใครๆก็นับนถือเป็นชนมากเขานั่งบูชาไฟอยู่เห็นไหมเขานั่งบูชาไฟพระองค์ก็เข้าไปถึงก็ทุนว่าไอ้ไฟทอไอไฟที่บูชานี่แหละเมื่อเราลูกไปแล้วมันก็หายดับมันก็ดับฉิบตัวไอ้ไฟราคาดที่มันเผาอยู่ในใกายแล้วจริงไหมไฟโทสะไฟโมหะ เขาก็เลยเห็นจริงเห็นหมาเนี่เขาแก้กันอย่างนี้นี่แหละคนมีปัญญาเขาก็เห็นจริงว่าโอ้เราไปหลงรักเกิดขึ้นจึงมีราคะมีไปเกลียดเขาก็เลยเกิดโทสะหลงก็เลยมีโมหะนี่แหละมันต้นเหตุอยู่ตรงนี้จะเกิดความรักเห็นตาไปเห็นรูปพอใจเห็นไหมต้นเหตุอยู่ตรงนี้หูฟังเสียง นี่เขาว่ากูดิว่าเห็นไหมลิ้นชิมรสหวานแล้วก็รู้เค็มแล้วก็ดูขมแล้วก็รู้แต่แล้วจะไพ่บ้ายอ ก, กินทำไมสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็รู้เห็นไหมมันอยู่ที่กายสิ่งที่จะมาสัมผัสจิตปรุงแต่งจิตเขาฟั่มลงใช่ไหมมันจึงปรุงแต่งให้ยากได้เขาแล้วรวมสรุปแล้ว เราตายเราอาไปได้ไห ม, อมของในโลกนี่ตายเอาไปได้ไหมนีหลงท้ายก็อยู่ตรงนี้แหละถามว่าตายเอาไปได้ไหมแล้วรูปนั่นสกรปรกจริงไหมย่ำกันแล้วย่ำกันอีกอยู่อย่างนี้แหละ ว, ว่ารูปสกรปรกจริงไหมแล้วเทียงไหมนี่ปะตัูอริยสั์คานก็ได้ไหมว่ารูปนี่สกรปรกคานได้ไหม รูปนี้ไม่เที่ยงเกิดทีแรกก็ตัวเล็กวันคืนผ่านมาก็แก่มาแก่มาโพธิสกขตายทับถมไดินคาญก็ได้ไหมว่าเออเรานี่จะอยู่คำฟ้าเนี่ยคาญได้ไหมนี่แหละตัวอริยสัจสี่ของกินที่พระองค์กระสรูแล้วย่ำราไปยากได้เนี่ยเป็นเหตุไหมเนี่ย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 ถ้าฮ่วงก็ไปบวงหรือนดถ้าไม่ฮ่วงก็หลุดพ้นจากวงหรือนัดฮวงก็ตายเองมันมันละฮวงก็แก่ไม่ฮ่วงก็แก่ฮวงอยู่ก็ตายไม่ฮ่วงก็ตายถ้าสีนั้นนี่ถ้าเราฮวงเขามันก็ติด่วงดึือนัดเครื่องผูกมัดแล้วเราก็ตายถ้าเราไม่ห่วงถ้าเราบวงหรือนัดออกเราก็ตาย พิจารณาเอาทีจะทีให้ฟังนะนี่ให้พิจารณาตะดูรูปเราเมื่อเกิดมาแล้ววันคืนผ่านไปผ่านไปก็แก่ไปแก่ไปผลที่สุดก็ตายทับถมแผ่นดินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไม่เที่ยงและดูผ้าที่แล้นุ่งนั่นมันก็เก่าไปเก่าไปผลที่สุดก็ตายเปื่อยทิ้งทับถมแผ่นดินเห็นมันมันไม่เที่ยง ดูบ้านที่เราอยู่บ้างที่แรกมันใหม่ต่อไปก็เก่าไปเก่าไปพังมรณะภาพถมแผ่นดินดูผลไม้ตนไม้ที่เราปลูกเอาไว้ที่แรกเมื่อต้นเล็กโตไปโตไปก็ตายเห็นมันดูเครื่องใช้ของเราที่เราซื้อมาที่แรกมันก็ใหม่ต่อไปก็เก่าไปเก่าไปทิ้งทับถมแ่นดินนี่แล้วเขาเรียกก็ไม่เที่ยงเห็นยังนี่ละมักรอทีนึง สัมมาทิฏฐิเห็นอย่งางสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นอย่างว่ามันไม่เที่ยงทั้งหมดนี่ละมั่งคอที่หนึ่งคอที่สองสัมมาสังกปะเราเห็นแล้วของไม่เที่ยงเราอยากได้ไหมมันไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะเห็นไหมนี่เขาให้ละวางแล้วเห็นแล้วของไม่เที่ยงทีนี้บางอย่างมันจําเป็นเห็นไหมละ่ะ เจนผ้าเรารู้แล้วไม่เที่ยงทำเป้งก็ต้องใส่ต้องใช้ก็อ้อมเขาสมควรดิยาไปไทยเยอะที ย, ทยานมันมากแล้วมาดูมักข้อที่สามสัมมาวาจาเรารู้ราร่างกายเราไม่เที่ยงเกิดมาตั้งอยดับไปเขาจึงสอนให้เจรจาชอบไม่พูดปด ไม่พูดสอเสียดไม่พูดคำยาบไม่พูดเพอเจอนี่สัมมาวาจาร์ทีนี้สัมมากรรมมันตะทำการงานชอบทำยังไงแหละเฮ้ยไม่ผิดศีลไม่ให้ผิดธรรมมาเลี้ยงร่างกายที่ไม่เที่ยงนี่สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพทั้งที่ชอบเลี้ยงอย่างไงนะให้พิดนเนี่ยไปยิงเลี้ยงหญิงแพร่สยา อย่างนี้ก็ไม่แย่งเลี้ยงอันอาชีพทั้งที่ชอบขายสก้าอาวุธกระดองของเมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่สัมมาอาชีวะเห็นไหมขายยาค่าสาาาัดค่าเตอ์ทั้งนั้นนาะไม่ใช่สัมมาอาชีวะทีนี้สัมมาวายามะเพียนชอบคนเรารู้แล้วว่าของไม่เที่ยงทั้งนั้นไอ้นางก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็ไม่เทียเท่ยงเพียนมันจะละวางใช่หมด อย่าไปเอามาันนี่บางอาจารย์เขาให้เพียนทำละความชั่วเพียนทำความดีแต่ทีนี้สอนให้ละวางให้หมดดีเดินไม่ต้องเอากันละแต่ทำนะทำดีแต่อย่าไปติดดีข้อที่หกแล้วทีนี้ข้อที่เจ็สัมมาสติลองพิจารณาดูทีนะ เดินมาเนี่ยกายสักตว่ากายใช่ไหมขยับแขนขยําขานี่อ่ะิทธิบทใช่ไหมแล้วก็ดูความปวดเมื่อยนี่เวทนาใช่ไหมแล้วก็ดูจิตตัวที่ว่ามันยังนิ่งอยู่ไหมขจึงเรียกว่าจิตสักแต่ว่าจิตแล้วดูธรรมที่มาปรุงแต่งจิตสิมีไหมขจึงเรียกว่าธรรมสัตแต่ว่าธรรมที่นี่สัมมาสมาธิพรเราตายนั่นแหะดูที่มิจติมิสติพิจารนาดี ไอ้ของแข็งกลายเป็นดินจริงไหมเช่นผมขนฟันหนังเล็บเอ็นกระดูกตับปอดไตใยไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเป็นดินจริงไหมแต่น้าเลือดน้าเหลืองน้าเดี่ยวน้ํามูงน้ำารเป็นน้าจริงไหมและล้มหายใจที่ผัดหลงเบื้องบนบ้างขึ้นเบื้องบนบ้างล้มผัดหลงเบื้องตามบ้างล้มหายใจบ้างอง กลายเป็นล้มจริงไหมและความร้อนที่อบอุ่นร่างกายนะมันก็เป็นความร้อนกราบคืนไม่เฉ็บและต้นไหนตรงไหนลนะรูปไรเดี๋ยแต่จิต ด, ดวงเดียวก็ไปเฉ็บไปนิพพานนิพพานทว่าไปยังไงนิพพานก็มันไม่มีอะไรเรืร่องราตรแล้วอะ่ะตลาดตุดแล้วอะ่ะไม่มีแล้วของเราไม่มีแล้วของประจําโลกทั้งนั้นน่ะหลวงตัดสินใจดูที่วันสิ่งเหล่านี้เป็นของประจําโลกจริงไหมคนในก็เอาเข้าไปไม่ได้ ใช่ไหมพี่นาดูยิศีลก็ดีฐานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสัจจาก็ดีวิญญาะก็ดีอธิษฐานก็ดีเมตาก็ดีเบิกขาก็ดีอันนี้ของประจำโลกคใช่ไหมรูปแล้วจะไปหอบไปยังไงเขาทิ้งกันทั้งนั้นน่ะหรจะหอบเอาไปบ้างนี่ท่านโตให้เห็นนึว่าโอ้เราตายเอาไปไม่ได้ แล้วเกิดมาทุกข์แล้วก็ไม่เที่ยงเห็นยังประรูปนี่เป็นทิฏฐังของทุกข์หาเลี้ยงร่างกายอยู่ทักวันนี้นะทุกข์ไหมแล้วมันก็ไปเที่ยงเห็นยังล่ะโสกโปกก็โสกโปกและทําอย่างไรไม่ต้องการเกิดอีกเนี่ยตอนตั้งตอนนะตอนแรกให้เห็นว่าของไม่เที่ยงหเห็นของโสโปรกโสโครกให้เห็นทุกข์ต่างๆแต่ทีนี้มัน ทำยังไรไม่ต้องเกิดอีกหาว่าไม่ต้องเกิดอีกก็อย่าไปสร้างกรรมสิกรรมคืออะไรคือการกระทาของเราในกรรมก็มีสองอย่างกุศ ล, ลกรรมอกุศ ล, ลกรรมยังไงเรียกกุศลกรรมยังไงเรียกอกุศลกรรมเห็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีนี้ห ล, ลงนี้เป็นต้นเขาเรียกอกุศลกรรม ทำทำไมจึงไปฆ่าสัตว์ก็มันยากได้จริงไหมยากขายอยากรวยตัวนี้ใช่ไหมตันหาฮเนี่ยพิจนาดู๋ยทําไมจึงไม่ฆ่าเพราะทําไมจึงยากรวยก็เพราะมันโง่อยู่ใช่ไหมถ้าเมื่อเรารู้วตายไปไม่ได้ก็เกิดความฉลาดขึ้นถ้รารู้ตัวนี้เป็นกรรมทําให้เราต้องไปเกิดไปรับกรรมเราไม่ทําถามว่ากรรมตัวนี้ดาบยัง การเหตุอันนี้ดับไหมถ้าเราไม่ทําอะเหตุอันนี้ก็ดับเมื่อดับแล้วมีปัจจัยไหมเมื่อเราไม่ทําแล้วมีปัจจัยมันมีมีผลไหมมันก็ไม่มีผลนี่เราเรียกความดับไม่มีเชื้อเห็นไหมล่ะจงจําไว้นะกรรมเกิดจากการกระทําของเราเราทําเองได้รับผลเอง นี่ฉันยึ่ ง, งบอกใครทําใครได้จะไม่โทษใครก็ทำว่าก็ทํำเราทําเราเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้รู้แจ้งไม่เอารู้จําไม่เอากันรู้แจ้งเห็นจริงอลองพิจารณาดยที่เนี่ยบรรยายไหมฟังเนี่ยมันเนื้อหาที่พูดวันนี้มันจริงไหมอย่าลืมแดนมนุษย์เนี่ยแดนมันเพ้นบารมีกันอย่าหวังแล้วว่าฉันจะไปนิพพานทาไมปฏิบัติ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 อยากร้งนรกไม่ต้องดักนอนกินได้เลยกินชาวบ้านก็ไม่ถวายพี่นี่ชาวบ้านเขาทําบุนมาเนี่ยนอนคอยนรกอกันนั่นแหละอย่าทื่อว่ากูบวชทอา น, นั้นมันซาทอนนี้มันซ่านะมันซ่ามันช่วยได้ไหย ม, มันช่วยไม่ได้ทั้งหมดแหละอยากเป็นจอรเ์เกว่าเอ า, เอานอนกินแล้วก็กินแล้วก็นอนนั่นแหละเขาอุตสาโยมฟ้าจะได้ข่าวมาเม็ดหนึ่ง จะได้เงินมาบาทหนึ่งโยมเหน็ดเหนือขนาดไหนควายโยมจะได้อำเงื้อตังน้าขนาดไหนโยมสู่อุตสาไม่กินอุตสาหมาทำบุญแค่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังผลบุญแล้วมากินแล้วนอนกินแล้วนอดมาเอาบุญตรงไหนให้เขา่าวว่าเฮ้ยพระบางองค์ละ่ะกินแล้วนอนกินแล้วนอดเนี่ยเอาตรงไหนความดีตรงไหนมาให้ขานี่ว่าไอ้พวกกินแล้วนอนด น, นะ คปฏิบัติไม่ได้ว่าไงโยมเนี่ยธลทรั์มาสร้างกุฏิให้อยู่นั่นก็ต้องการค้นปฏิบัติดีให้อยู่ไม่ต้องการในคนมากินแล้วนอนให้อยู่นี่วันนี้พูดหนักๆหน่อยเพื่อเตือนให้รู้ตัวกันเองมันกินแล้วนอนอยู่นั่นก็มีเขาละทานที่ตรงนี้ไม่ต้องโปรตไม่ต้องไปบินธาบาต์เลยรู้ว่าที่นี่เขไม่บินธาบาตเลยไม่อยู่กินแล้วนอนพันนี้ไม่เอา ทีนไม่เอาไม่ตอนรับเห็นไหมเนี่ยเขาบอกให้มาทําวัดก็ไม่มาให้มาฟังทำก็ไม่มาแล้วมันไปยุ่งทำไมมันเถอะอย่างนี้เดินทางไปละกลับไปได้แล้วนี่ผมไม่ได้ว่าบอกคุณนะผมว่าไอ้คนที่มันไม่มาปฏิบัติอะแต่คนปฏิบัติคุณไม่ต้องเดือดร้อนกินเหมือนมู่อยู่เหมือนหมาไม่นี่มัใช้ได้เหมือนกันโยไม่ต้องเสียใจฉันไม่ได้ว่าโยนะฉันว่าคนที่มันทําชั่วกินเหมือนมู่นอนเหมือนหมาโยไม่ต้องไปตกใจโยตั้งแต่ทําความดี อย่าโยมทาความดีโยมไม่ต้องทนร้อนจงพิจารณาดูสิโยมฟ้าจะได้นนูเสื้อที่ซสยเนี่ยโยมมาดูปลายเหตุเอไปซื้อมาอเห็นไหมแล้วฟ้าจะทําเสื้อได้เนี่ยทําได้ได้เนี่ยทําได้มาเนี่ยเขาเนื้เนื่อยขนาดไหนนะแล้วเขามันนั่งเย็บเสือ้อนะเขาทรมานไหมแล้วไปซื้อเขามา ก่อนจะได้เงินไม่ซื้อเนี่ยเราเน็ดเนื้อขนาดไหนลองพิจารณาดูมั่งเนอะน่ดูเหตุผลที่นี่ไปซื้อมันทำไม ป, ปลายเหตุเนี่ยมันซื้อได้ก็เลยเห็นไม่เห็นทุกข์นี้แหละเนื้อความสั้นให้ย้ายให้ยาวลองดูสิดูแล้วเกิดมันเป็นคนนี่ลํำบากแค่ไหนฮะลำบากไปขึ้าอลองลองดูประวัติของเราที่ดูประพศของเราที เรกเครเหน็เนื่อยไม่จังการไหนนี่ดูเรื่องราวของเราอย่าไปดูเรื่องราวของผู้อื่นเขานี่และประยุท์ของเราปริญัติคือเรียนรู้ปฏิบัติเอามาปฏิบัติถึงจะได้ปฏิเวธเข้าใจไมไม่ใช่เรียนจำไม่เอาที่นี่ไม่เอาเรียนจำไม่เอาต้องเรียนปฏิบัติแต่ไม่มีใบรับรองนะไม่มีประการนี้บาดให้เป็นเป็นปัจจตัง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 แล้เนี่ยว่าลวงตาแก่ๆวันนี้ไม่เข้าใจหลักธรรมระเบียบขงทรงก็ผ่านมาแล้วระเบียบการปกครองก็ผ่านมาแล้วแต่ทีนี้เราจะมาเข้มงวดแหละเพราะคนงโง่หลวงพี่น้นี่ยโยมยังไงเรียกว่าคนโง่ในโลกนี้เอ่ะยังไงเขาเรียกว่าคนโง่ยังไงเขาเรียกว่าทำไฟชั่วเห็นโลกโกรธหลงเนี่ย ยินทายิชาเรียตยาเขานี่ยทำไฟดีหรือไฟชั่วโยมมันแยกกันได้นะโยมเรียกดังเดียวนี้เลยยังไงเขาเรียกว่าฟชั่วยังไงเรียกไฟดีคนก็แยกตั้งเดียวนี้แหละท่านจึงสนว่าอเสวนาจะพาลา น, นั่งการคบคนผ่านผ่านมหาผิดคบปัณฑิตพามหาผลปัณฑิตา น, นั้นจะเสวนาปฏิรูปประเทศสกวาโซอยู่ในประเทศอันสมควร เลือกเอาเสยยมปูช้าจะปูชะนิยานังบุคุนเช่นใดคนบูชาเนี่ยให้พี่นะเอาเสยยมฐานนั้นจะทำมริยาให้ทานบุคุนเช่นใดคุนคนให้ฐานโยไม่คิดอ่างทันสอนไว้ทั้งนั้นเราเจ้าทันสอนไว้ทั้งนั้นแหะบุคุนเช่นใดคุนให้ทานบุคุนเช่นใดคุนบูชาปูช้าจะปูชะนิยานังบุคคนเช่นใดคนบูชาโยไม่คิดไม่กินไปพี่นะเอานะ ฉันสอนฉันยุกับโคให้ น, น, นั่นแหละโยไม่พี่นะเอาบุคคลเช่นใดคนุนบูชาจะทําทานทําอย่างไรบุคคลเช่นใดคุณคุณให้ทานและบุคคลเช่นใด ค, คุคบสถานที่เช่นใดคุณอยู่ไปโยไม่เลือกเอาใช้ปัญญามากๆบางบางคนสอนให้นั่งทําสมาธิจจับลูกแก้วก็ดีจับพระพุทธรูปก็ดีอย่างนี้เขาเรียกกสินเพ่งไฟก็ดี แล้วก็นักเข้าข่าวก็จิตนิ่งนิ่งก็เลยติดสุขตรง น, นั้นแหละจิตนิ่งเห็นไหมติดสุขความไม่จิตนิ่งนั่นแหละติดสุขอันนี้ใช่ไม่ได้นะประเดี๋ยวก็เกิดโทษซา ข, ขึ้นกิเลกก็ ข, ขึ้นอย่างเดิมเพราะนั้นก็ให้สอนใช้วิปัสสนาสอนละวางให้หมดพอละวางหมดก็เกิดสุข ข, ขึ้น สุขลึกว่างเปล่าไม่มีอะไรเสียแทงทิ่มจิตความโลภก็ทิ่มไม่ได้ความโกรธก็ทิ่มไม่ได้ความอิชฉาริษยาก็ทิ่มไม่ได้สุขไมมที่นีน่อะคนละว่างหมดแล้วไม่มีสมบัติอะไรทั้งหมดสุขไม่มีสมบัติแล้วดูที่ว่ามันสุขจริงวะโยมทุกคนนะวารีกาจงทำจิตให้เป็นพระ ไ ม, ไม่ใช่ทำรูปให้เป็นพระทำจิตให้เป็นพระให้เป็นพระสงฆ์ที่คืนละวางให้หมดแค่เห็นไม่เที่ยงเนี่ยแหละโน่นก็ไม่เทียเท่ยงนี่มเที่ยงนี่เดินทางเข้าไปแล้วเพราะขัน้นดิศสงก็ละวางซะแต่ตัวโลภโลภตายาไปไม่ได้ล้วไปโลภทาไมไปโกรธโกรธกันทไมเขาก็แก่เขาก็ตาย เนี่ยเห็นไหเพอเรารูปวันนี้ก็เละหายหลงเบาบางลงอย่างนี้แหละเขาเขาเรียกว่าสักิตาคา่าแล้วทีนี้เดินทางต่อไปอีกพี่น้าที่รูปเนี่ยโอ้ี่มันสกรปรกทั้งนั้นนี่ว่าร่างกายเนี่ยมีน้ำเลือดมีน้ำเลือก ม, มีกระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวแล้วก็ดูผู้หญิงมั่งโอ้ผู้หญิงเขาก็ะมิสสกรปรกแล้วก็มีเที่ยงเกิดมันก็ต้องแก่ต้องตายคงสกรปรกทั้งหมด ที่ีมตัดไอ้ตัวกามนี่แหละเพิ่ม อ, อีกกูไม่เอาแล้วไว้ของโกโปรกทั้งหมดพยาย า, ยามละกามรมตัวนี้ความรักระวังเพศความอารมณ์ระวังเพศดับดับโดยวิธีไหนโดยวิธีเอาสุภาษมาพิจารณาบ้างเอากายคตาสติพิจารณาบ้างดูความสกโปรกโสโครกบ้างมาดับเห็นมาเขาดับได้เป็นผลไหมโยมในว่ามากคนไม่มีอ่ะ แล้วทีนี้มันดูอีกพระดับได้แยังมีทิฏฐิมีมานะไหมแล้วสำคัญกุกเก่งไหมดับดูวิธีว่าโอดวันคืนผ่านไปเดินกระพาวฟับตายตายทุกวันใกล้กำลังแล้วยิงเขียยยิงวันคืนหมดไปยิงเขียกระบายทีนี้เขาตัดมานะทิฏฐิไม่มีแล้วแต่ไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิล้วเพราะมันเห็นความตายอยู่แล้วนี่ก็มาทบทวนนี่ ยังหลงอะไรบ้างยังติดสินติดตาติดสมาธิไหม ย, ยังโง่อยู่ไหมพระรัตน์เหมือนกับหมดการจิตก็เลยว่าง อ, าอุชาก็เปิดปดเท่านี้แหละนี่ละพระแหละไม่ใช่นี่หอมันเหลืองที่เจ้านีมันเป็นไม่ได้แล้วคป็นท่าสีเข้าใจนะท่านทุกองค์อะ่ะมันอภาคุ้มท่าสีก็บไวามันเป็นไม่ได้แล้วหรืว่ากูบวตอนนั้นมันซานนันมันซาเนะี่ มันเป็นไม่ได้นะมันเป็นอยู่ตรงชําาะจิตน่ะเขาจึงเรียกว่าสมมูติดสงไม่ใช่ทรงแท้ย่ำๆกันสักหน่อยเปิดเผยให้มันแ จ, มแจม่มๆกันไปจะได้หายลงในสักทีจะทําบุญในถูกต้องทำบุญทําทานที่ถูกต้องเนแลยบอกค้นเช่นไดนคนบูชาจะได้บูชาที่ถูกต้องเดีย๋ยฉันซ่อนไม่ให้ย่มลงเร น, นะย่อมไพี่นะดูเพื่อทําแล้มันถูกนะบุญที่ดี ๆ, ๆีิฉันก็ไม่ได้อวดอ้างนะ แต่ฉันก็ให้โยมวินาเอาโยมเลือกเอาเห็นมั้ยล่ะมีรูปก็ต้องมีตามีตาก็ต้องสัมผัสภายนอกและรูปภายนอกมันไม่เที่ยงอ่ะมันก็หมดกันจบกันแค่นั้นเองมีหูก็ต้องสัมผัสเสียงมีจมูกก็ต้องสัมผัสกลิน่นมีลิ้นก็ต้องสัมผัสรสเห็นมากมันสัมผัสกันแค่นั้นแหละ มันเรื่องของคนลงเนาะเราไม่ชนนด้วยเราไม่เที่ยงอย่างเดียวเราตายแน่ทับถมดินท่าสีเนี่ทีนี้มันก็าหายลงนั่นแหละเอากัน จ, จัดเท่านี้แหละเขาก็แกยตายแล้วก็แกยตายเขาก็เป็นทาสีแล้วก็ทาสีด้วยนี่แหละจะพูดให้ฟังนะอิติปิโสภะควาคําว่าภะควาแปลว่าผู้จําแนกทำจําแนกว่าดี นั่นไม่เที่ยงนี่เป็นไม่เที่ยงนั่นเป็นทุกข์ hmm. เป็นนิจจังเป็นทุกขังเวนาตาเอามัน เ, เอาในโลกนี้ม่าจำแนกนี้ชี้ให้เขาเห็นดิทำยังไงละวางยังไงนี่เขาเรียกจำแนกทำอรหังเป็นพระอารหันทำยังไงเป็นพระอารหันนะสัมมาสัมพุทธโธเป็นผู้รู้ชอบดีแล้วรู้ยังไงรู้ชอบอะ่ะรู้ของจริงจริงไหมจริงว่ารู้ชอบ วิชาจารณะสัมปันโนเป็นพูดถึงพร้อมเหนือ ว, วิชาและจารณะวิชาแปรเขาก็มีที่ปุจจคุกเห็นมาปุเพนวาสามติยานนั้นเกชาติได้จูตูปยานสา ม, มารถรู้ตาเกิดเป็นอะไรอตีตังปยานรู้อดีตเกิดเป็นอะไรนาขะตังปยานรู้อนาคตเป็นอย่างไรปัจจุบันนังปยานปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรยะถากรมมุทายานเจโตบริยายานรู้วัลจิตคนและสัตว์ ทำไมไม่ศึกษากันเหรอท่านบอกไปแล้ววิชาจารณะสัมพันโนของเขามีอยู่แล้วแต่ไม่ศึกษาแล้วก็มาก็มันเลยสงสัยกันอยู่นั่นแต่ท่านบอกไปแล้วเนี่ยสุขโตสเสด็จไปดีแล้วไปยังไงไปดีแล้วอ่ะถ้าเราละวางหมดดูที่มันไปดีไหมโลกะวิถูปเป็นผู้รู้แจ้งโลกในโลกมีอย่างไรมีของเทีย่ยงไหมแต่ยังนี่ไม่แจ้งโลกเลยเหรอ ที่แจ้งว่านในโลก ma, นี่เป็นยังไงยังไงอนุตรางบุญญักเกตังและคนยังนี้เป็นนาบุญของโลกไหมเนี่ยมาทำอะไรทีนี้สวาขาโตภควตาธโมปธรรมอันพระผู้มีภาคจะกรัดไว้ดีแล้วจริ่งไหมล่ะไอ้นั่นก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะก็เป็นทุกนะก็เป็นอนิจังทุกขังอนนาตาของเ <St> ่านี้ไม่เที่ยงทั้งหมดดีไหมยังมี้กรัดไปถูกต้องไหมสันทิตโกอันผู้บรรลุพผ่งเห็นอกาลิโกไม่ประกอบยการเวลา นั่งก็ทําทได้เดินก็ทําทได้ยืนก็ทําทได้นอนก็ทําทได้เขาเรียกอะไประกอบเหตุการเ hey, คปฏิโกขดเรียกให้มาดูบ้างให้มาทํากันบ้างโอเป็นไอโกน้มเขามาดูในตัวเห็นของไม่เที่ยง น, นั้นไม่เที่ยงนิ่มเที่ยงแล้วก็มาพิจารณาดูเราคือโน้มเขามาโอเปนไอโกคือน้อมเขามาดูในเราว่าเราไม่เที่ยงพันนั้นจริงไหม ปัจตังเวสภูวินยูหิติอันวินยูชนย่อมรู้เฉพาะตนทั้งสอนไว้ทั้งนั้นแหละแต่ไม่ไม่มาปฏิบัติกันไม่ทํากันเห็นม <c oughs> ากหลักฐานก็มีทั้งนั้นแ่ะแต่ไม่โง่ไม่เรียกไม่ได้กันนะั่ะโง่ไหมแล้วนั่งพี่นายคนหลักฐานเขามีอ่ะพระเจ้าปรวังิหลักฐานไว้ทั้งนั้นอ่ะ <c oughs> ทำไมนั่นที่พระพุทธเจ้าท่านธ น, นะพยามารแล้วว่าท่านก็รู้แล้วพอใจว่ารู้ละ พอใจแล้วเขาว่าพรห ม, มาอาราธนาเทศนาสอนพรหมน่ะคือไข่คือพรหมวิหารซีนั่นแหละก็มีความสงสารคนนี้ยังโง่เขาอยู่อยากจะกีดแจงสังสอนก็เรียก็ทอถอยว่าธรรมะนี่มันของลึกซึ้งลึกซึ้งมากคนยากที่คนไม่มีปัญญาจะสามารถรู้ได้ท่านก็ทอถอยแล้วเกิด อ, อุมาขึ้น ว่ามนนู่นในโลกนี้กูมามันดอกบัวสีเหลาเหลาหนึงโผล่มาแล้วคอยต้องแสงแดดทรงเมื่อไลายก็จะบานรับก็ได้กับบุคคลนี่เพราะพาะยกหก ข, ข้อขึ้นพูดก็สามารถบานรับเลยอีกเหลาหนึงโผล่กันไม่อีกแล้วจะคอยว่าพุ่งนี่กูจะบานมาั่งต้องแสงแดดก็ได้กับบุคค้นพี่ยกหก ข, ข้อแล้วขยายเนื้อฟ้าไม่ฟังก็สามารถรู้แจ้งแทงตลอด อีกล่าวหนึ่งก็จะบ้านตอไปอีกแหละพวงนี้เพียนทํำกันไปชี้แจงนะข้ข้าเขรูแจง้งไอ้ลาวหนึ่งสิมันอยู่ใต้ดินน้ำไอ้พวกนี้สอนเท่าไรก็ไม่ฟังก็เลยเป็นอาหารของตาวปลานี่ยแหละเนี่ยครูไปเชิญกันว่าดกบัวใต้ขุนกรีดหรือว่าดกบัวแตนน้ำเนี่ยว่าใต้ขุนกรีดเลยสอนมันก็ไม่เป็นเรื่องนี่เห็นมไหมละ่ะมันก็มีอยู่ในโลกนี้เรามาศึกษานะทุกคน สงสัยฉันอนุญาตให้ไถ่ถามนันเองชุมกันเขาเรียกธรรมศ า, าสักษาสักไซลายเลี้ยงมีตั้งสมัยครั้งพุทธกาลไม่ใช่มีสมัยนี้ดอกพระภิกษุสงส์สนทนากันศึกษากันที่นี้พระเจ้าก็เดินผ่านมาก็ถามว่าเธอสนทนาอะไรภิกษุเขเล่าให้ฟังท่านก็าเลขี่แจ้งให้ฟังของนั้นพวกเราก็สนทนากั น, กนไถ่ถามกัน หาผู้รู้สงสัยตรงไหนก็ไปไท่ถามผู้รู้เขาในชั้นอนุญาตไม่ใช่ไปคุยทั้งโลกนะคุยตั้งทมเพื่อหวังให้รู้จริงให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คุณรู้คุณเห็นหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะที่ชี้แจงว่า น, นี่อ่ะเออพยับขยายได้อเนี่ยจะได้เป็นสนั่นนากันข <c oughs> ้าตั้งใจโครตนำซนะ ไม่ว่าตามนะก <c oughs> ิทางบุญญาพลังผลละบุญที่ข้าพรเจ้าทั้งหลายได้บาเพ็ญแล้วหน้าโอกาสนี้ข้าพรเจ้าทั้งหลายขาอที่ทรงกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายที่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย ได้เคยล่วงเกินมาแล้วแฉชากรก็ดีชานีก็ดีขอเจ้ากรรมและนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้โยมนะมันแช่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองจริงไหมถึงมันสดใสมันสกปรกไหมและมันดูโลมาคือขนที่มาขึ้นอยู่ต่ำในต่ำต้นเว้นฝ่ามือฝ่าเท้า ว่ามันขึ้นอยู่ยังไรมันแช่อ ย, อยู่ด้น้ำเลือดน้ำเลืองจริงไหมของน้ำไม่รู้ว่าของสกรปรกแต่เราไม่อาบน้ำําระมันดูสกรปรกไหมโดูที่แล้วก็มาดูน่ะขาคือเล็บขึ้นปลายมือน่ะไมานิ้วมือมัง่งนิ้วตีนมัง่งว่ามันแช่อ ย, อยู่ด้วยอะไรที่มันสดใสมันเราเลี้ยงด้วยอะไรนี่ไปดูเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้ก็ตั้งอยู่้อยไปพออยู่ธรรมชาติมันแล้วมันเหลืองแล้วกลับมาดูทํางตาคือฟัน สําหรับเคี่ยวอาหารปลอยเป็นธรรมชาติโยมเกิดดูดูเขาคนสะอาดด้วยข้าวซักกรกแล้วก็มาดูตะโจหนังหนังที่โหุ้มร่างกายที่โย น, นมันจดใสโยนได้มันชุ่มชื้นมันโยด้วยอะไรถ้าเราไม่ปรุงแตง่งคือไม่อาบนำำํมมนาชําระผมเหมือนกันถ้าเราไม่สางคือไม่ตัดท ป, ปรุงแตง่งมันซกกระป๋องไหมเล็บเมืออกั น, น, กนถ้าเราไม่ตัดปลอยเป็นธรรมชาติไว้นั่น มันน่าเกลียดหรือมันน่ารักทันตาคือฟันเหมือนกันแต่เราไม่แปลงฟันปล่อยมันเป็นธรรมชาติมันสวยมให้ดูเกิดขึ้นนะทีนี้ดูที่โสมลงมั่งที่รถตายมันเป็นมันไปไหนมันใช่ตัวเรามะเนื้อหนังมันก็เหี่ยวไปห้ามที่ดูว่ามันย้ามันเหี่ยวฟันก็ห้ามที่ยมัหาห้ามได้ไหมเล็บก็ห้ามที่ย้ายมันยาว กระตัวเราก็ห้ามไว้สิฟันกำเหมกันห้ามย้ยมันหักไปผอมก็ห้ามยให้มันงอกก็ของเราแล้วก็ต้องห้ามได้เห็นไหมมีฟันก็ฟันก็หักมันใช่ของเราไหมมีหนังหนังก็เหี่ยวมีเล็บก็น่าเกลียดมีผมพุ่มก็งอกและของเราหรือาของใครแน่ไงของรูปเขาใช่ไหมยกกระรูปมันล่ะนั่นมันคงสุกโกรกไหม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 ก็เป็นสมหวังมันก็ทุกข์เพรามันอยู่นั่นเลยมาเพราะนั้นเป็นสมหวังแล้วก็เป็นทุกข์อีกแล้วก็พิจารณาให้มันเลยกันอีกเข้าไปในในตัวน่ะว่ามั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นโครงกระดูกจริงไหมที่มันเป็นโครงสร้างขนานั้มันแชรกกระดูกไหมลุดไปจากนั่นมันมีอะไรวิตตับมีปอดกระพเพาะเยี่ยวกระเพาะขี้มันส่วมเคลื่อนที่ไหมไปไหนก็กระพายไปด้วยจริงไหมกระพายของโซ่กระปลกเดินโฉบก็จริงมาแล้ว เขาไม่รู้ทางเขาแต่เรารู้เราเนี่ยเบื่อไหมน่าเบื่อไหมเกิดมีกับวันนี้อะเกิดไม่กับวันนี้อะแล้วก็ไม่เที่ยงวันนี้อาจาเจ้าไงหลังยองมีเงินห้ามเดยไหมไม่ให้มันแก่เอาเงินมาซื้อวันนี้กันือนที่มึงแก่ห้ามเลยไหมมันก็ห้ามเขาไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันมีแล้วมันก็ต้องเสื่อมมันมันไปเห็นยังนะธรรมะคือธรรมชาติไม่มีตัวตน มีรูปก็ต้องม่กฎของรูปมันก็นต้องเสื่อมมันไปนี่มันหน้าที่ของใครของผู้รู้ก็ใช่ไหมเอ๋ใช่ผู้รู้ไห ม, <c oughs> ไมเองรู้แล้วเองก็ละวางนั่นเอน่หน้าที่ของประสงค์ที่ไม่เที่ยงนั่นนั่นพระธรรมเงรู้แล้วก็หน้าที่ของประสงค์ก็ละวางนั่นสิแล้วเมื่อรู้แล้วนี่ชำระจิตสะอาดหมดจดแล้วก็ไปไปสอนอื่นบางเด หน้าที่เขามาสง่งแล้วก็ไปที้แจงของมังเศษเห็นไหมระสง่์ก็ต้องศึกษายอย่างนี้แล้วเอาสิ่งนี้เราไปฟั่งสอนที่แจงให้ชาวโลกเขาเข้าใจอใ น, นโลกเนี่ยเห็นไหมมันอะไรไม่คงเที่ยงลูกไม้เกิดมาที่แรกก็ลูกเล็กวันคืนผ่านมันก็แก่ไปมันพราะมักฎธรรมชาติของเขาน้าขาันก็สุกลนบ้านเขาทำการที่แรกมันก็ใหม่ มันเป็นธรรมชาติมันก็ะเสีอมไปเสียมไปเห็นไหมในผลที่ทรงกดดับแตกดับทับถมแผ่นดินเห็นยังมันธรรมชาติของเขานี่มันนั่งดูสิขันติก็เป็นธรมมนธรมชาติไหมวิญญาะก็เป็นธรรมชาติไหมหน้าที่ของขันติมียังไงอดทนเขาเลยสมมุติชื่อนี่แหละขันติอวิญญาณ เ, เ, เพียนเพียนพื่อชนะดูเขาเลยสมมติว่าวิญญาะเพราะตัวเพี้ยนนี่แหละ ศรัทธาคือตัวเชื่อนะครับสมมุติชื่อศรัทธาเห็นมันเป็นธรรมชาติมันไม่ชื่อที่ไหนคำว่าสมมุติชื่อคือในเงั้นเรีย ก, ม, กมันถูกเพามันคงว่างอยู่ในเองมันดูมือนเสีมันนูดเขาก็สมมติชื่ออีกมันว่างอยู่นี่ธรรมานาตาติธรรมะมันมีตัวตนเป็นธรรมชาติเห็นมามันกรุงแดงขึ้นมาเนี่ยสเปสังขาราสังคานสั้นายไม่เจองี่นี้โยมก็เข้าใจ คันติไม่น่าที่ยังไงสัจจะไมหน้าที่ยังไงวิญญาณไม่น่าที่ยังไงฮะศรัทธาไม่น่าที่ยังไงเอามันใชให้ถูกทางเไปยอมโลภะมันมมหน้าที่โลกยากได้มยักได้นี่ก็เราก็รู้แล้วมันเป็นตัวโลกตายเราไปไม่ได้แล้วไปอัมรชัยทาไมอ่ะนะโทษะมันก็เผาแล้วทำให้จิตรุ่งรอ้อนไปหมดก็รู้แล้วมันเราก็ต้องตายเราต้องเกณเอามาใชัทําไม อิชาฤติยาเข้านะก็เหมือนกันพระเจ้ามาใชาทําไมเนี่ยทาไฟชั่วทั้งนั้นหรอฮะนะแล้วเอาทาไฟดีมันใช่เหรือเขาไม่รู้ว่าช่างเขาครับรับไ่พูดศึกษาแล้วนี่ละเห็นไหมตัวไข้ต้มบันเรารู้แล้วเอาไปสอนเขาเขาไม่เชื่ออเป็ น, นอุนมาไมนรนู้โบซีเหล่าเยยมต้องเข้าใจนะทุกคนที่มาที่นี่เพราะประธานที่ตรงนี้เขาต้องการสอนอย่างนี้ต้องการหาบุคลากร ที่รู้แจ้งเห็นจริงจะได้เอาไปสั่งสอนต่ อ, อสร้างสถานที่ตรงนี้ไว้เพื่อจะเอามาอบรมวัตถุที่เดินได้วัตถุที่เดินได้ให้รู้จักดีรู้จักชั่วตรงนี้โยมมันง่ายนะเป็นเซริร์มันตอมาตั้ตงตั้ตงก็เชยอยู่แ น, น่นแหละนี้มันซ่อนวัตถุประนนี้แหะวัตถุที่เดินได้นี่นีฟ้ามันสร้างวัตถุอย่างนี้แะโยมจะจงใช้ปัญญาดู พระพุทธเจ้าผู้รู้เขารู้อะไรเารู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดทุกรู้ทางดับทุกรู้ข้อปฏิบัติทั้งฟานดับทุกขจึงพอใจว่ารู้แล้วเรียบร้อทั้งของสี่อย่างนี้เรียกว่าอริยสัจแปลว่าขงจริงรู้เท่านี้แหละผู้รู้เขารู้เท่านี้แหละพอใจจึงว่าพอใจว่ารู้แล้วงั้นทุกคนรู้จักสมุทัยคนละ นี้โรดคนทําไม่แจ้งมักค้นปฏิบัติไม่พูดสั้นๆมันทุกเงินมันยากได้มันทุกทั้งนั้นนะก็ค้นล่าก็นสิอือก็คงใต้อาไปไม่ได้เห็นมันจะหาตัวนี้แล้มันสร้างเนาะมันยากได้แล้วก็เอาไปไม่ได้มันสร้างนล้วมันลาเพราะทำก็เป็นกรรมแล้วก็เป็นเหตุกันท่านว่าฉันโลกเป็นกรรมทำเกิดจะเหตุดับดับที่เหตุจริงมันไป็นยากได้มันก็เป็นเหตุไว้นี่แหละทาเกิดจะเหตุดับดับที่เหตุ ตัวยากนี่แหละตัวตันหาทั้นี้แหละมันเป็นเหตุเขาทําก็มันก็เป็นกรรมท่านก็เรื่องมองกับท่านโลกเป็นทํามกรรมท่านยึงสอนว่า hate, ดับส่เหตุทำเกิดจาเหตุดับดับี่เหตุเห็นมันแล้วในโลกวุ่วายไหเพราะมันไม่ดับเหตุกันที่มันเรื่องของเขานะนหนี้าพวกเราอะตายก็ไปไม่ได้ oh. ขยับขยายนี่เดี๋ยวจะได้ไปจำโฆษณาประกัน ตั้งใจนะคนนำนะประเทศกุศลไม่เห็นว่าไปขอหา ใ, ใจไหมล่ะไม่อนะ่ะมันต้องพูดใบนะเวทันโดรองไปอยู่เขาวงกตเกิดแกตาและทางนี้จะเข้าเขาวงกตทานคนหนึ่งคือนายเจตบุตรนายพานคนนี้แดงกสิตคุ้มกันนะวัย กันโดนเลยมาจึงโดนที่สูงปัญหาราคาทุกเห็นว่ามันเป็นลอ ก, กและเจสบุบเผลอันออการเผลอชูชกบแล้วเข้าไปได้ในขอสอง่งกุมานแต่กระทานตีจะทาทาน้วทีโดยพลังมณีส่วนเราจะสิงใจให้านมือโลกระบบเทืนเลยเกิดปีติแล้วไข้ถ้าคุ้มชนไช่น่าจไข้ายหลาเนี่ยในพุาง้าเป็นธาต เขุงสนิชัยก็คือปัญญาทายาให้เป็นธาตแล้วที่นี้เขาก็ไปรับลูกเขากับเมืองให้สร้างถนนตั้งเตปกรุงศีพีนเขาหวกรดให้มีมโหรวิทยาลัยกันตลอนั่งมิลิเกสังเกตเมื่อเห็นที่ตลอดจะตายแต่เกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคณาเห็นไหมตาไปเกิดนนท์เห็นรูปภายนอกเกิดความรักขึ้นเขาเรียกว่าราคคณา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 ไฟราคะก็เลยเผาเอาไปโกรธเขาไ้โทสะก็เผาเอาเพราะไปหลงโมหะ ก, ก็เลยเผาเอาทีจะแก้จะดับตรงนี้ดับอย่างไรถ้าเราเห็นว่ารูปนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งโยดับไปและรูปนี้เป็นของสกปกโสโครกมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองก็พอาขี้เพราะเยี่ยวแล้วก็แก่ไปแก่ไปก็ดับพังทับถปดิน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 มีทัดินสามพี่น้องเขาว่าอีกคนหนึ่งอยู่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมชื่อว่าอุรุเวกัสปะอีกคนหนึ่งอยู่แม่น้ําอ้อมคงแม่น้ําชื่อนาธีกัสปะอีกคนอยู่ตําบลขย้าศีษะชื่อขย้ากัสปะสามพี่น้องออกบวชมีบริวารคนพี่มีบริวารอยู่ห้าร้อยคนน้องมีบริวารอยู่ สามรอยคนน้องทุท่องมีบริวารอยูสองรอก็พากันออกบวชพี่ชายอยู่ต้นน้ำคนกลางอยู่กลางอยู่ต่อมาคนทุท่องอยู่ปลายก็สัญญากันว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในร้อยอัฏะบริขารมาน้องรู้แล้วจะเด้ขึ้นไปดู มีองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเมือ่อกระสู้เรียบร้อยดีแล้วจึงบอกพิโสปัญจ้ะีิทั้งห้าให้แยกย้ายกันออกสังสอนชี้แจงอาริยสัตรีตัวท่านเองจะไปที่ตำบลญูุรุเวลาเสนานีคมเพราะจะดินสา พ, พี่น้องตั้งตัวเป็นใหญ่ใครๆก็นับนถือเป็นชนมากเขานั่งบูชาไฟอยู่แม่เขานั่งบูชาไฟ พระองค์ก็เข้าไปถึงก็ทุนว่าไอไ้ไฟที่อุชานี่แหละเมื่อเลาลูกไปแล้วมันก็หายดับมันก็ดาบฉิบตัวไอ้ไฟราคะที่มันเผาอยู่ในกายรจริงไหมไฟโทสะไฟโมหะเขาก็เลยเห็นจริงเห็นหมาดิเขาแก้กันอย่างนี้นี่แหละคนมีปัญญาเขาก็เห็นจริงว่าโอ้เราไปหลงรักเกิดขึ้นจึงมีราคะ มีระเกยียดเขาก็เลยเกิดโทกสะหลงก็เละมีโมหะนี่แหละมันต้นเหตุอยู่ตรงนี้จะเกิดความรักเห็นตาไปเห็นรูปพอใจเห็นไหมต้นเหตุอยู่ตรงนี้หูฟังเสียงนี่เขาว่ากูดิว่าเห็นไหมลิ้นชิมรสหวานแล้วก็รู้เค็มแล้วก็ดูขมแล้วก็รู้แต่แล้วจะไปบ้าอยอกกินทําไม สิงที่มาสัมผัสกายแล้วค่อยรู้เห็นมามันอยู่ที่กายสิ่งที่จะมาสัมผัสจิตปรุงแต่งจิตความลงใช่ไหมมันจึงปรุงแต่งให้ยากได้เขาแล้วรวมสรุปแล้วตายจะเอาไปดันของในโลกนี่ตายเอาไปได้ไหมนี่หลงท้ายก็อยู่ตรงนี้แหละถามว่าตายเอาไปได้ไหมแล้วรูปนั่นสกรปรกจริงไหม ย้ำกันแล้วย้ำกันอีกอยู่อย่างนี้แหละ ว, ว่ารูปสกรปรกจริงไหมแล้วเทีย่ยงไหมนีละตัวอริยสัจคานเขาได้ไหมว่ารูปนี้สกรปรกคานได้ไหมรูปนี้ไม่เที่ยงเกิดทีแรกก็ตัวเล็กวันคืนผ่านมาก็แก่มาแก่มาโพธิสกติตายทับถมไม่ดินคานเขาได้ไหมว่าเออเรานี่จะอยู่คําฟ้านี่ยคานได้ไหมนี่ละตัวอริยสัตรีของกิน ที่พระองค์กระรูอแล้วย้เราไปยากได้เนี่ยเป็นเหตุไหมเนี่ให้พิจารณาดูที่ว่าเราไปยากได้รูปที่ไม่เทียงเนี่ยมันเป็นเหตุไหมลงหรือเปล่าพอแล้วลงหรือเปล่าที่ไปยากได้รูรปคิดจะกระโตกโศโครกเนี่ยลงหรือเปล่าแล้วเราไม่ห่วงห่วงแม่ก็ดีห่วงลูกก็ดีห่วงผัวก็ดีแล้วเราตายไหมเราห่วงเราตายไหมเราก็ต้องตาย ถ้าเราไม่ห่วงล่ะเราตายไหมเราก็ต้องตายถ้าสีนั่นสิถ้าห่วงก็ไปบ่วงดึงดันถ้าไม่ห่วงก็หลุดพ้นจากบ่วงดึงดานห่วงก็ตายเองมะมันห่วงก็แก่ไม่ห่วงก็แก่หวงอยู่ก็ตายไม่ห่วงก็ตายถ้าสีนั่นสิถ้าเราห่วงเขามันก็ติดบ่วงดึงรานเครื่องผูกมัดแล้วเราก็ตาย เราไม่ห่วงตลาดบวงลืงดัดออกเราก็ตายอพิจารณาเอาทีจะทีให้ฟังนาะยนี่ให้พิจารณาตะดูรูปเราเมื่อเกิดมาแล้ววันคืนผ่านไ ป, ผ, นไปผ่านไปก็แก่ไปแก่ไปผลที่สุดก็ตายทับถมแผ่นินอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าใบเที่ยงและดูผ้าที่เรานุ่งนั่นมันก็เก่าไปเก่าไปผลที่สุดก็ตายเปือย ทิงทับถมเป็นดินเห็นมันมันไม่เทียงดูบ้านที่เราโย่บ้างที่แรกมันใหม่ต่อไปก็เก่าไปเก้าไปพังหมดสภาพถมเป็นดินดูดผ ล, ลไม้ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้ที่แรกเมื่อต้นเล็กโตไปโตไปก็ตายเห็นมันดูเครื่องใช้ของเราที่เราซื้อมาที่แรกมันก็ใหม่ต่อไปก็เก่าไปเข้าไปทิงทับถมเป็นดินนี่แล้วก็ เขาเรียกก็ไม่เที่ยงเห็นอย่างนี่ละมัคข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นอย่างสัมมาไปว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่าความเห็นเห็นอย่างว่ามันไม่เที่ยงทั้งหมดนี่ละมัคข้อที่หนึ่งข้อที่สองสัมมาสังกปปะเราเห็นและของไม่เที่ยงเรายากได้